8. สหหรรมิการวัก 12. ปรินามณะศิขาบทว่าด้วยการน้อมราบที่เป็นของรงไปเพื่อบุคคลเรื่องพระชัพคี 489. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นสมาคมหนึ่งในกรุงสาวัตถีเตรียมพระทหารพร้อมจีวรไว้ถวายรง์ด้วยตั้งใจว่า พวกเราจากนิมนต์ภิกษุให้ฉันแล้วให้คลองจีวอนต่อมาพวกภิกษุชาวพัปปคีได้เข้าไปหาสมาคมนั้นถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับสมาคมนั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านโปรดถวายจีวอนแก่ภิกษุเหล่านี้สมาคมนั้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญพวกเราจะไม่ถวายพวกเราจัดภิกษาหารพร้อมกับจีวอนไว้ถวายสงฆ์เป็นประจำทุกปีพวกภิกษุชาวพคีกล่าวว่า ท่านทั้งหลายทายกของสงฆ์มีหลายคนพระทหารของสงฆ์ก็มีจํานวนมากภิกษุเหล่านี้อาศัยพวกท่านเห็นแก่พวกท่านจึงอยู่ที่นี้ถ้าพวกท่านไม่ถวายแก่ภิกษุเหล่านี้แล้วคราวนี้ใครเล่าจะถวายแก่ภิกษุเหล่านี้พวกท่านโปรดถวายจีวรแก่ภิกษุเหล่านี้เถิดลําดับนั้นเมื่อถูกพว ก, พวกภิกษุชาวพัคีรบเรา้าสมาคมนั้นจึงถวายจีวรตามที่จัดไว้แล้ว แก่พวกพิสุชาวพัคีแล้วประเคนสงฆ์เฉพาะพระตาหารพวกพิสุที่ทราบว่าสมาคมจัดพระตาหารพร้อมกับจีวรไว้ถวายสงฆ์แต่ไม่ทราบว่าพวกเขาถวายพวกพิสุชาวพัคีไปแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจงน้อมถวายจีวรแก่สงฆ์เถิดสมาคมนั้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญไม่มีจีวรตามที่เคยจัดไว้พระคุณเจ้าชาวพัคีน้อมไปเพื่อพระคุณเจ้าชาวพัคีด้วยกันแล้ว บรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตาหนิประนามพนทนาว่าเชนะพวกภิกษุชาวพคีรู้อยู่จึงน้อมลาบที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสงไปเพื่อบุคคลเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตาหนีพวกภิกษุชาบพักีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ